ทรงปรารบภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปบวชให้สิกขานาปีละสองรูปในสิกขาบทที่13นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสสมุดฐานละ กุมารีภูตะวัตที่แจบ